คุณวินเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศและนัดเจอเพื่อนมอปลายสองคนชื่อโอมและก็ชื่อเอกเลยชวนกันไปกินข้าวแถวนคนปรปฐมตอนห้าทุม่มโดยคุณวินเป็นคนขับกินข้าวเสร็จประมาณตีหนึ่งแต่ด้วยความไม่ชินทางที่เป็นวงเวียนและวันเวโดยไม่มีใครรู้ทางคุณวินก็ขับไปเรื่อยๆจนไปเจอทางเล็กๆเหมือนทางเข้าหมู่บ้าน เลยตัดสินใจถามร้านขายของชำก็บอกว่าถึงแยกเลี้ยวขวาไปถึงก็จะเป็นแยกแบบลูกหลักแต่ไม่มีป้ายเขียนว่าไปกรุงเทพที่เป็นป้ายที่ตั้งที่พื้นแล้วมีรอยโดนเหยียบตามป้ายไปเพราะกลัวข้างหน้าไม่มีแยกอีกก็ขับไปเรื่อยๆจนเป็นถนนเล็กลงมากๆไม่มีรถผ่านมองไม่เห็นอะไรเลยจึงตัดสินใจชวนเพื่อนว่าจะกลับกันทางเดิมไหม คุณเอกเลยเปิดไฟในรถแล้วบอกว่ากลัวแต่คุณวินบอกว่าให้ปิดเพราะกลัวคนมองเห็นว่าในรถมากันขี่คนแล้วจะเป็นจุดเด่นซึ่งทางตรงนั้นกลับรถไม่ได้ทางแคบมากจนคุณโอมก็นอนราบลงกับเบาะแล้วคุณเอกก็นั่งคู่กับคุณวินแล้วก็เองเบาะนอนลงเหมือนเอามือปิดหน้าคุณวินก็ขับต่อไปเจอผู้หญิงใส่เสื้อคอกระเช้าจูงยายแก่เดินนำหน้ารถไป คุณวินก็ขับรถผ่านไปแล้วก็มองกระจกหลังก็เห็นเป็นเงาคนอยู่แล้วก็ขับต่อไปเรื่อยๆก็เจออีกผู้หญิงคนเดิมจูงยายแก่เหมือนเดิมแต่ไปอยู่ฝั่งตรงข้ามถนนแทนคุณวินก็รู้แล้วว่าเจอดีก็ทำใจดีสู้เสือขับเร็วขึ้นเรื่อยๆมองไปข้างหน้าก็เจอถนนใหญ่แล้วจู่ๆก็ไปโผล่ที่วัดโดยที่ไม่เห็นวัดมาก่อน คุณวินงงมากๆเลยจอดรถผาเอิญมีวินมอเตอร์ไซค์มาสองคนจึงลงไปถามวินมอเตอร์ไซค์เลยถามว่ามาจากทางไหนคุณวินเลยบอกว่ามาจากทางนี้วินมอเตอร์ไซค์ก็ตกใจแล้วถามว่ามาได้ยังไงทางนี้เขาปิดตายมานานแล้วเพราะเป็นทางผีผ่านแต่คุณวินก็โกหกวินมอเตอร์ไซค์ว่าไม่เจออะไรก็ขับต่อไปแล้วก็ไปจอดที่ปั๊มน้ำมันคุณวินก็ถามเพื่อนๆปรากฏว่าคุณโอม เจอคุณยายเกาะกระจกข้างๆอยู่เลยนอนลงไปคุณเอกก็เห็นเป็นคนต่อไปก็เจอข้างๆกระจกหลังจากวันนั้นทุกคนก็ฝันว่ายายคนนั้นมาบอกว่าผ่านมาทางนั้นทำไมไม่เอาอะไรมาฝากบ้างเลย